คถารวมวีนีตะวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วเรื่องช่างย้อมห้าเรื่องเรื่องกลางคืนห้าเรื่องเรื่องตอบตามคำถามนำห้าเรื่องเรื่องศพที่ยังสดหนึ่งเรื่องเรื่องเรือนไฟหนึ่งเรื่องเรื่องไม่มีมูลห้าเรื่องเรื่องเข้าสุกหนึ่งเรื่องเรื่องขนมหนึ่งเรื่องเรื่องขนมต้มหนึ่งเรื่องเรื่องถุงหนึ่งเรื่องเรื่องราวจีวรหนึ่งเรื่องเรื่องถือวิสาสะ ฉันของเคี้ยวหนึ่งเรื่องเรื่องไม่ได้ลักเจ็ดเรื่องเรื่องลักของสงเจ็ดเรื่องเรื่องพูดตามคําบอกสามเรื่องเรื่องปล่อยสุกรสองเรื่องเรื่องปล่อยปลาสองเรื่องเรื่องชิ้นเนื้อสองเรื่องเรื่องผ้าบังสุกุลหนึ่งเรื่องเรื่องฉันทีละน้อยหนึ่งเรื่องเรื่องกำมือที่กรุงสาวัตถีสี่เรื่องเรื่องหญ้าสองเรื่องเรื่องไม่ใช่เจ้าของเจ็ดเรื่องเรื่องลักน้ําของสงหนึ่งเรื่อง เรื่องลักยากของสงสองเรื่องเรื่องผ้าปูเตียงสี่เรื่องเรื่องทรั์ที่ภิกษุนำไปแต่ผู้เดียวสิบเอ็ดเรื่องเรื่องลมสองเรื่องเรื่องสับเปลี่ยนสลากหนึ่งเรื่องเรื่องเนื้อเดนสัตว์ห้าเรื่องในสมัยข้าวยากหมากแพงมีห้าเรื่องคือเรื่องเนื้อหนึ่งเรื่องเรื่องน้ำตาลกรวดหนึ่งเรื่องเรื่องบริขารห้าเรื่องเรื่องฟูกหนึ่งเรื่อง เรื่องไม่ออกไปหนึ่งเรื่องเรื่องสําคัญว่าเป็นของของตนสองเรื่องเรื่องลักเจ็ดเรื่องเรื่องลักดอกไม้สองเรื่องเรื่องนําแก้วมณีผ่านด่านภาษีสามเรื่องเรื่องปล่อยเนื้อสองเรื่องเรื่องกลิ้งทรับในยานหนึ่งเรื่องเรื่องไม้สองเรื่องเรื่องข้ามน้ำสองเรื่องเรื่องชักชวนกันไปลักสองเรื่องเรื่องเนื้อเป็นเดนสองเรื่องเรื่องให้แบ่งของสงเจ็ดเรื่อง เรื่องยืมไม้ของสงฆ์หนึ่งเรื่องเรื่องลักดินของสงฆ์หนึ่งเรื่องเรื่องลักเสนาสนะของสงฆ์เจ็ดเรื่องเรื่องของมีเจ้าของไม่ควรนําไปใช้หนึ่งเรื่องเรื่องภิกษุนีชาวกรุงจำปาหนึ่งเรื่องเรื่องพระอัชชุกะชาวกรุงเวสาลีหนึ่งเรื่องเรื่องของมีเจ้าของควรขอยืมหนึ่งเรื่องเรื่องภิกษุณีชาวกรุงราชคลืหนึ่งเรื่องเรื่อง ทารกชาวกรุงพระราศีหนึ่งเรื่องเรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีหนึ่งเรื่องเรื่องสัตถิวิหาริกของพระธันหิกะกรุงสาคละหนึ่งเรื่อง